วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้ พระทรามคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง mm hmm. ไม่มีคำสั่งคำสอนอันใดที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ mm hmm. แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีแต่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะทำได้วันนี้เราจะมาฟังเรื่องเรื่องหมอดูดวงชะตาของพวกเรามหมอดูที่ดูดวงชะตาของพวกเราได้แม่นยาที่สุดได้เก่งที่สุด ของโลกก็คือพระพุทธเจ้านี้เอง mm hmm. พระพุทธเจ้านี้ท่านสามารถมองเห็นดวงชะตาของพวกเราทุกคนได้อย่างชัดเจน mm hmm. ถ้าเราอยากจะรู้ดวงชะตาของพวกเราว่าอนาคตของพวกเรานั้นจะเป็นอย่างไรขอให้เรามาฟังคาสั่งคาสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าอนาคตของพวกเรานั้นจะเป็นอย่างไรกัน mm hmm. ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. พวกเรามีดวงชะตาอยู่สองดวงด้วยกัน mm hmm. เพราะว่าเรามีร่างกายและมีใจ เรามีสองส่วนชีวิตของเราไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียวนอกจากร่างกายแล้วเรายังมีจิตใจที่เรามองไม่เห็นกันเพราะจิตใจเป็นนามธรรมร<ม>่างกายเป็นรูปธปรร ม, มเราสามารถเห็นร่างกายได้เพราะเรามีร่างกายที่ ม, มีตาที่เราเห็น สามารถเห็นนั่งกายได้แต่ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นนามธรรมาเราจึงมองไม่เห็นได้แต่เรารู้ได้ว่าเรามีใจเพราะใจก็คือผู้ที่รู้ผู้ที่สั่งผู้ที่คิดต่างๆนี้ผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้คือใจ ชะตาดวงชะตาของพวกเราจึงต้องมีสองดวงด้วยกันดวงชะตาของร่างกายและดวงชะตาของจิตใจดวงชะตาของร่างกายนี้ของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่โตหรือจะเล็กจะฉลาดหรือจะโง่ จะดีหรือจะชั่วดวงชะตาของร่างกายของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดเมื่อร่างกายเกิดมาแล้วก็จะต้องนับไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะรวยหรือจะจน งินน well. ี้ไม่สามารถที french, ่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้มียศมีตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้จะดีหรือจะชั่วก็ไม่สามารถที่จะมายับยั้งความเจ็บความตายได้จะดีเลิศอย่างพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวก ก็ไม่สามารถนา ย, ยับยัง้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเจ็บความตายก็อยู่ที่ว่าเจ็บเจ็บมากหรือเจ็บน้อยตายช้าหรือตายเร็วตายก่อนหรือตายหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ มีความแตกต่างกันได้ในแต่ละคนบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้าบางคนก็เจ็บมากบางคนก็เจ็บน้อยแต่นี้ไม่พน้นทุกๆคนเมื่อมีร่างกายแล้วชะตาของร่างกายก็จะต้องเป็นอย่างนี้กับทุกคนเมื่อมีความเกิดแล้วก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้นี่คือชะตาดวงแรกของของโวกเราของชีวิตของพวกเราดวงชะตาดวงแรกของพวกเราก็คือดวงชะตาของร่างกายต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บนะ เจอกับความตายไปในที่สุดส่วนดวงชะตาของจิตใจนี้<ม>ก็มีทางเลือกอยู่สามทางด้วยกันเราสามารถเลือกดวงชะตาของจิตใจได้ว่าเราต้องการที่จะไปทางไหน<ม><ม>เราทางเลือกที่หนึ่งก็คือไปอบาย<ม><ม>เราสามารถเลือกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปเป็นเปรตได้ ครเป็นอนุรกายได้ไปเป็นสัตว์นรกได้ถ้าเราทำบาปเช่นฆ่าสัตว์รับท ร, บรพัพย์ประพฤติิดะเพณนพูดปดดื่มของมึนเมาถ้าเรามีพฤติกรรมทางนี้อยู่เราก็จะเลือกทางไปสู่บายร่างกายขอร่างกายนี้ตายไป ใจเราก็จะไปสู่อาบายทันทีแนะอาบายทั้งสี่นี้เราก็เลือกได้ว่าอยากจะไปอยู่ในอาบายไหนถ้าอยากจะไปเป็นสัตว์ในราชาก็ทําบาปด้วยความหลงถ้าอยากไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยก็ให้ทำบาปด้วยความโลภถ้าอยากจะไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัว ก็ให้ทาบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนสุลกายถ้าอยากจะไปเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยไฟนรกก็ให้ทาบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนี่คือชะตาชีวิตของจิตใจดวงชะตาของจิตใจทางเลือกอันหนึ่งที่เรา เลือกที่จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ <lun> s. <S เราสามารถเลือกได้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปอบาย <c oughs> ไม่ต้องการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องการไปเป็นเปรตไม่ต้องการการไปเป็นอสูรกายไม่ต้องการไปเป็นสัตว <c oughs> ์นรกเราก็อยากทำบาปเท่านั้นเองละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเทนีละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการดื่มของมึนเมาและอบายามุขอื่นๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวเตะความเกลียดข้านแลวก็การคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเป็นต้น <S <S 1> <S 1> พฤติกรรมเหล่านี้จะนำดวงวิญญาณของเรา ให้ไปสุขบายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจนจะใหญ่หรือจะเล็กร้วนจะทั้งไปเป็นสิ่งที่ตนเองได้กระทำไว้เพราะดวงใจดวงจิตดวงใจของพวกเรานี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนั่นเองกฎแห่งกรรมท่านก็แสดงไว้ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำชั่วก็ได้อบายอันนี้คือทางเลือกที่หนึ่งส ำ, สำหรับดวงชะตาของจิตใจของพวกเราที่เราสามารถเลือกจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการไปอบายเราก็อย่าทำบาปอย่าเสพอบายอย่ามุกเท่งนั้นแล้วรับประกันได้ว่าอบายจะไม่ใช่เป็นจุดหมายปลายทาง ที่เราจะไปกันจุดหมายปลายทางที่เราจะไปอีกสองทางก็จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปอบายแล้วเราก็มีทางเลือกที่จะไปสองทางด้วยกันไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆอันนี้เป็นทางเลือกที่สองการที่เราจะไปสู่สวรรค์ ชั้นเทพชั้นต่างๆนี้ก็เกิดจากการทําบุญทําทานของเรานี่ถ้าเรามันทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้หรื อ, เ, อเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ให้เราเอาเงินทองส่วนนี้มาทําบุญทําทาน เพื่อที่จะได้พาดวงจิตดวงใจของเราหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ชั้นเทพเกิดจากการทำบุญทำทานทำความดีต่างๆการทำบุญทำทานก็ไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องทำด้วยเงินทองเข้าของเพียงอย่างเดียวการทำคุณทำประโยชน์ด้วยกายวาจาใจของเรา ที่ทำให้เกิดประโยชน์สู่แก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการทําบุญทําทานได้เหมือนกันเช่นเราไปเป็นอาสาสมัครไปทําคุณทําประโยชน์ให้แก่สังคมไปเป็นจิตอาสาไปร่วมทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือถ้าเรามีวิชาความรู้ ที่เราสามารถสอนให้ผู้อื่นเขา mm. นําเอาไปทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ตัวเขาได้ mm. มาเรียนรู้วิชาจากเราแล้วเขาสามารถเอาวิชานั้นไปทํามาหากินเลี้ยงชีพได้เช่น mm. ถ้าเรารู้จากวิธีกรรมทากับข้าว mm. ถ้าคนมาขอเรียนจากเราเราก็สอนเข้าไปเพื่อเขาจะได้เอาความรู้ในการทํากับข้าวไปเปิดร้านอาหารไปขายอาหาร ทำให้เขามีอาชีพที่สุดจลิตการทำบุญทาทานทำทนทนในสิ่งที่เรามีแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลถ้าเราไม่มีอะไรจะให้แต่ไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีอะไรจะให้แม้แต่ข้าวเพียงช้อนเดียวทัพีเดียวใส่บาตก็ได้บุญเหมือนกันงั้นอย่าอย่าประมาทในตัวเราว่าเราไม่มี เงินไม่มีทองพอที่จะทำบุญทาทานได้ทุกคนทำบุญทาทานได้ด้วยกันทุกคนอย่างแต่ว่าจะมีศรัทธาหรือไม่เท่านั้นเองถ้ามีศรัทธาก็จะทำกันได้ไม่ต้องไปดูว่าคนอื่นเขาทำมากกว่าเราแล้วเราไม่มีเท่าเขาแล้วเราจึงทำให้เราไม่อยากจะทำขึ้นมา เราทำไปตามกำลังของเรามีมากมีน้อยเราก็ทำไปของเร า, าการให้น้อยให้มากของของคนสองคนนี้อาจจะได้บุญเท่ากันก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนของที่เราให้ว่าเราให้มากหรือให้น้อยมันอยู่ที่สัดส่วนของทรัพสมบัติของข้าวของที่เรามีอยู่ถ้าสองคน ให้คนให้ให้สัดส่วนเท่ากันร้อยละสิบก็จะได้บุญเท่ากันแต่ร้อยละสิบของสองคนนี้อาจจะไม่เท่ากันคนมีพันให้ร้อยละสิบก็ก็ให้ร้อยบาทคนมีร้อยให้ร้อยละสิบก็ให้สิบบาท <c oughs> ก็ได้บุญเท่ากัน <c oughs> ถ้าเราอยากที่จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆหลังจากที่เรา ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วเราไม่อยากที่จะไปเกิดในอบายเราก็อยากทำบาปทำแต่บุญ <S S S S เพราะว่าถ้าเราทำบาปถ้าเราทาบุญด้วยแล้วเราทำบาปด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญและบาปอันไหนจะมีกำลังมากกว่ากัน <S S <ม>ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญที่เราทำบาปก็จะส่งผลก่อน บาปก็จะดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปเกิดในอาบายต่อนถึงแม้ว่าเราจะได้ทําบุญด้วยก็ตามแต่ถ้าเราทําบาปด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าบาปหรอบุญอันไหนมีกำลังมากกว่ากันทําอันไหนไว้มากกว่ากันทําบาปไว้มากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอาบายทาบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์แล้วพอ บุญหรือบาปที่ดึงให้เราไปอบายหรือไปสวรรค์หมดกำลังลงคือช่วงที่บุญและบาปมีกำลังเท่ากันบาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอยู่ในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้ตอนนั้นเราก็จะกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำบุญทาบาปกันใหม่ต่อไป การจะทำบุญทำบาปมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันว่าทำไมคนเราถึงไปทำบาปกันบางคนไปทำบุญกันออส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เราไปอยู่ด้วยถ้าเรามาเกิดในครอบครัวที่ทำบาป เ, เขาก็จะดึงเราให้ไปทำบาปกับเขาถ้าเรามาอยู่กับครอบครัวที่ทำบุญเขาก็จะดึงให้เราไปทำบุญกับเขา ได้แค่ตัอย่างที่จะทำให้เราไปทำบุญทำบาป <c oughs> ก็อยู่ที่อุปนิสัยของเราถ้าเราทำบาปจนติดเป็นนิสัยถึงแม้ว่าเราจะไปอยู่กับคนทำบุญแต่ใจเราก็อาจจะชอบทำบาป <c oughs> ก็อาจจะหลบหรือหลบไปแอบไปทำบาปได้เ <c oughs> พราะมีความชอบในการทำบาป เช่นเดียวกับการคนที่มีอบปนิสัยที่ชอบทําบุญถึงแม้จะไปอยู่กับครอบครัวที่ที่ทําบาปก็อาจจะไม่ชอบทําบาปอาจจะหลบหรือแอบไปทําบุญอันนี้มันเป็นสิ่งที่ติดยึบมากับใจที่ที่จะเป็นผู้ที่จะกําหนดทิศทางของชะตาว่าจะไปในทิศทางไหน แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเรามีอุปนิสัยชอบทำบาปแล้วเรามาเกิดในยุคที่มีคำสั่งคำสอนที่สอนให้ไม่ให้กระทำบาปที่สอนว่าทำบาปแล้วจะต้องไปเกิดในอบายถ้าเราเชื่อในคำสอนนั้นเราก็จะฝืน ความชอบหรืออปณิสัยที่ชอบทาบาปนี้ได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนวิธีการกระทำจากการทำบาปมาเป็นการกระทำบุญได้เช่นเดียวกับใจที่ชอบทำบุญก็อาจจะเปลี่ยนมาทำบาปก็ได้ถ้าไปได้รับคำสอนที่ผิดที่สอนว่าการทำบาปนี้เป็นการทำบุญ ก็อาจจะหลงผิดไปทำบาปได้เ mm. ช่นองคุลิมาก็ไปหลงผิดอาจารย์สอนให้ mm. บอกว่าให้ไปฆ่าคนแล้วจะได้บุญมากจะได้ความเก่งความสามารถก็หลงเชื่อไปทำบาปเพราะคิดว่าทำบาปแล้วจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานแต่โชคดีที่ไปเจอพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าเห็นองคุลิมา จะมาฆ่าก็เลยใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทำให้องค์คุลิมาไม่สามารถไล่ตามพระพุทธเจ้าได้ทันจนในที่สุดองค์คุลิมาก็เหนื่อยหอบก็ต้องหยุดวิ่งตามแล้วก็ตะโกนบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านหยุดเถิดเราตามท่านไม่ทันแล้วพระพเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่ได้หยุด เธอยังไม่ได้หยุดจากการกระทาบาปนั่นเองแล้วได้หยุดจากการกระทาบาปแล้วสิ่งที่เธอต้องฆ่าไม่ใช่คนถ้าเธออยากจะเลิกอยากจะประเสริฐสิ่งที่เธอต้องฆ่าก็คือกิเลสปัญหาความโลภความอยากที่จะไปทําบาปไปฆ่าผู้นั่นเองพอได้ยินได้ฟังธรรมองคุริมานก็กลับใจ า ก, การที่จะตั้งใจไปทําบาปก็มาฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภความโกรธความหลงแทนพอฆ่ากิเลสได้สําเร็จก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันหตสาวกขึ้นมาทันทีดังนั้นอนุสัยของแต่ละคนนี่เปลี่ยนได้ชอบทําบุญก็เปลี่ยนมาชอบทําบาปได้ชอบทําบาปก็เปลี่ยนมาชอบทําบุญได้มันขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมบุคคลที่เราอยู่ด้วย<ม>เป็นเป็นหลัก<ม><ม>อระุทจ้าถึงสอนให้เราเลือกคบคนดีคนฉลาด<ม>อย่าไปคบคนโง่คนชั่วคนคนทําบาปคนทําบาปนี้ถือว่าเป็นคนโง่ไม่ฉลาดคนทําความดีนี้ถือว่าเป็นคนฉลาด<ม><ม>ถ้าเราครบกับคนดีคนฉลาด<ม>เขาก็จะดึงให้เราเป็นคนดีเป็นคนฉลาดไปกับเขา ถ้าเราไปคบกับคนชั่วคนโง่เขาก็จะพาให้เราชั่วพาให้เราโง่ด้วย mm hmm. mm hmm. เสยวนาจะพาลานางังบันดิตานั่นจะเสวนาเอตัมมังกัลลมุตตะมัง mm hmm. การไม่คบคนโง่คนชั่ว mm hmm. เป็นมงคลอย่างยิ่งการครบบันดิตคนฉลาดคนดีเป็นมงคลอย่างยิ่ง mm hmm. เพราะว่าจะสามารถที่จะดึงเราไปในทิศทางที่ดีได้คนดีจะดึงเราไปในทิศทางที่ดีคนชั่วจะดึงเราไปในทิศทางที่ไม่ดีถ้าเราไม่อยากจะไปอบายไม่อยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเราก็อยากทำบาปอยากคบคนชั่วคนชั่วก็คือคนชอบทําบาปชอบเสพอบายมุก ชอบดื่มสไา亚มาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเต่ชอบความเกลียดข้านชอบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรคนเหล่านี้จะเป็นคนที่จะพาให้เราไปสู่ที่ต่ำได้อ น, นี้คือดวงชะตาทางเลือกองทางที่สองก็คือการไปเกิดในสวรรค์ ตายไปดวงวิญญาณเข้าไปรับผลบุญในสวรรค์สวรรค์ก็เหมือนที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวตามต่างในต่างประเทศนี่ดีๆนี่ทําไมเราถึงไปต่างประเทศกันไปเที่ยวที่นูน่นไปเที่ยวที่นี่เพราะสถานที่เหล่านั้นมันมีความสุขให้เรามีความสุขมีความเพลิดเพลินเราก็เลยไปเที่ยวกันสวรรค์ก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราไปดีๆนี่ ถ้าเราทําบุญทําทานเราก็จะได้ไปท่องเที่ยวกันในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วหลังจากที่บุญหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะมาทําบุญต่อถ้าเรามีนิสัยชอบทําบุญเราก็จะกลับมาทําบุญต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเวียนว่าตายเกิดอยู่ในในสุขสุคเคติ ในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ต้องไปเกิดในทุกขติส่วนทางเลือกที่สามก็คือถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราอยากจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเลือกทางเลือกที่สามทางเลือกที่สามก็คือเราต้องอชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจของเราไม่สะอาดด้วยอะไร ใจของพวกเรานี้ไม่สาดด้วยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่ดึงให้เราจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเราอยากที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนานี่คือ ทางเลือกขั้นที่ทางเลือกที่สามถ้าอยากจะไปนิพพานถ้าอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปเป็นนักบวชกันต้องต้องปฏิบัติในขัมมะยุติการหาความสุขทางตาหูจมุงนิ้วกายซึ่งเป็นความสุขที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดในกาลมาพบกลับมาเกิด เปนมนุษย์อยู่เรื่อย เ, เป็นมนุษย์เป็นเทพหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้น อ, อยู่กับว่าเราทําบุญหรือทำบาปแต่ถ้าเราไม่เสพกามต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในกามมพบแต่เราถ้ายังชําระใจไม่ให้ให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้อย่างถาวรได้แบบชั่วคราวเราก็จะไปเกิดอยู่ในพรหมโลกพรหมโลกสอง สองโลกด้วยกันโลกของรูปประพรมและอรูประพมเรียกว่ารูประพบและอรูประพบอันนี้ก่อนที่เราจะไปถึงนิพพานได้เราต้องไปผ่านสวรรค์ชั้นพรหมมาโลกก่อนต้องออกสวรรค์ต้องต้องออกจากสวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ไปเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นพรหมนี้จะเข้าไปได้ก็ต้อง มีการปฏิบัติจิตตภาวนามีการถือศีลของนักบวชเสริมไม่ไม่สแสวงหาความสุขจากการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถาพะชนิดต่างๆต้องการสแสวงหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้เป็นการภาวนาํำละจิตใจขั้นที่หนึ่งชำละให้ใจ สงบแบบชั่วคราวสะอาดแบบชั่วคราวเวลาใจเข้าสมาธิได้ใจนิ่งใจสงบความโลภความโกรธความหลงต่างๆก็จะหยุดทำงานชั่วคราวเพรานั้นใจก็จะเป็นเหมือนใจที่สะอาดบริสุดแต่เป็นความสะอาดบริสุทธิ์เพียงชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดเริ่มปรุงแต่ง เริ่มสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆกับเรื่องราวต่างๆ ค, ความโลภความโกรธความหลงก็จะเฟื่องขึ้นมามาสร้างความเศร้าหมองสร้างความทุกข์ให้กับใจมาดึงใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปได้อยู่เราต้องปฏิบัติขั้นที่สามขั้นต่อจากขั้นสมถภาวนา สมถภ า, าวนาคือขั้นที่หนึ่งคือขั้นสมาธิออกจากสมาธิมาเราก็ต้องมาฝึกคิดในทางปัญญาคิดให้เห็นว่ากิเลสปัญหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ตัวที่ดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆนี้ก็คือความโลภความอยากต่างๆนี่ถ้าโลภถ้าอยากเสพกรารก็จะมาเกิดในกราร ม, มาพบ มาเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นสั ต, สตว์เดรัจฉานเป็นต้นถ้าอยากจะเสพ ร, รูปประชานก็จะไปเกิดเป็นรูปประพรมถ้าอยากจะเสบรูปประชานก็จะไปเกิดเป็นรูปประพรมก็ยังจะติดอยู่ในตายพบอยู่ยังจะติดอยู่ในการเวีนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏอยู่ถ้าอยากออกจากการเวียนว่ายตายวัตายเกิดของสังสารวัฏ เราก็ต้องกำจัดความโลภต่างๆความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปความอยากเสพกามก็ตัดไปให้เห็นว่าเป็นทุกข์การเสพกามเป็นทุกข์การเสพรูปประชานก็เป็นทุกข์การเสพมรูปประชานก็เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกามว่าคุณห้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปประชานก็ดีหรือรูปประชานก็ดีล้วนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง เมื่อเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดก็ต้องมีดับเวลาเกิดก็ให้ความสุขกับเราในระดับมันก็จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราเห็นว่าการไปหาความสุขจากการมคุณห้าจากรูปประชานหรือจากอลู ป, ประชานจะจบลงที่ความทุกข์ต่อไปเราก็ไม่ไปอยากดีกว่าอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่า พอใจชำระความอยากได้หมดสิ้นไปใจก็จะสงบอย่างทาวอยใจก็จะนิ่งสงบบริาสสะสะอาบราสุดใจที่นิ่งสงบสาดบริสุทธิ์นี้จะเป็นใจที่เต็มเตี่ยมด้วยบรมลสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่านิบบานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุด เขาเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันดับ<ม>นี่ก็คือทางเลือกของดวงวิญญาณทางเลือกที่สามที่เราสามารถเลือกได้ให้กับจิตใจของเรา<ม>คือถ้าเราอยากที่จะไปพันธิพาลไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องชำระใจของเราให้สาดบริสุทธิ์ เราก็ต้องไม่กระทำบาปแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีทำบุญจากการทำบุญทำทานทําความดีต่างๆมาทำบุญด้วยการชำระใจให้สะอาดบริสุดในการอยู่แบบนักบวชหรือเป็นนักบวชเพราะว่าถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวชนี่จะไม่มีเวลาพอให้กับการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุดได้ เพราะถ้าไม่เป็นนักบวชนี้ก็ต้องไปทำมาหากินเลี้ยงชีพทำงานทำการต่างๆก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาให้กับการปฏิบัติจิตตะภาวนาเพื่อมาชําระใจจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การจะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ต้องมีการปฏิบัติจิตตะภาวนาตลอดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับ แม้แต่เวลาที่ทำหน้าที่ต่างๆก็ก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวนาควบคู่ไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาที่เราต้องทำตลอด24ชั่วโมงในเรื่องต้นก็คือการเจริญสติเราต้องมีสติเราถึงจะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้เข้าฌานขั้นต่างๆได้ เข้ า, ารูปฌานเข้าอรูปฌานได้การที่เราจะ ม, มีการเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องเราก็ต้องเจริญสติตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรก็ตามพอดึงตาขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเริ่มเจริญสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะตัวที่ทําให้ใจไม่สงบก็คือความคิดนี่ ถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบเราต้องหยุดความคิดให้ได้และสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติ<ม>วิธีที่ทำวิธีที่เราจะมีสติก็คือเราต้องระลึกรู้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเ<ม>ช่นเราเลิกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าพุทธานุสติ<ม>ให้ราเลิกถึงพระพุทธเจ้า คำวสติก็คือแปลว่าเราเลึกรู้พุทธาก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าให้เราลริกรู้ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือชื่อของพระพุทธเจ้าก็ได้การเจริญพุทธานุสติเราจะเจริญแบบแบบย่อก็ได้หรือแบบพิสดารก็ได้แบบพิสดารเราก็ท่องบทอุทธคุณไป พิธีปิโสภัขขาวาอลหังสัมมาสัมพุโทโธไปวิธีย่อก็คือลเลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าใจเรามีพุโทโธพุธโทโธกำ ก, กับอยู่ตลอดเวลาใจเราจะไปคิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือคิดได้ยากใหม่ๆมันยังอาจจะแวบไปคิดได้เวลาที่เราเผลอไม่ได้พุโทโธพอไม่ได้พุโทโธปับ๊บมันก็จะไปคิดเรื่อ ง, ง, งนั้นเรื่องนี้ พอเราได้สติว่าตอนนี้เราไม่ได้พุโทโธเราก็กลับมาหาพุโทโธความคิดต่างๆมันก็จะหายไป mm. ในปนพจลสติในเบื้องต้นนี้จะเป็นการน้อมลุกคุกขาดไปก่อนตั้งสติได้สองสามวินาทีแล้วก็หายไปพุโทโธได้สองสามวินาทีแล้วก็หายไปแล้วก็มาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คน น, นคนนั้นคนนี้ mm. อาจจะคิดยาวเป็น นาทีเป็นชั่วโมงก็ได้สมหรับคนบางคนหาจะมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวเราไม่ได้พูดโทเลยก็กลับมาพูดโทใหม่ถ้าเรายังไม่มีสติที่ต่อเนื่องเวลานั่งสมาธิให้ใจนิ่งนิ่ ง, งเฉยเฉยนี่มันจะไม่ยอมนิ่งมันจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ไปเรื่อยๆนั้นการที่เราจะนั่งสมาธิให้ได้ผลให้ได้รู ป, ประชามหรือรู ป, ประชานี้ เราจำเป็นจะต้องมีสติที่ต่อเนื่องเราต้องฝึกสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นและการที่จะทำเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็ต้องเป็นนักบวชไม่มีอาชีพไม่มีการงานไรต้องทำงานที่ทำก็สามารถใช้เจริญสติควบคู่ไปได้ให้งานเลี้ยงชีพงานไปหาหารับบินทบาลมาอันนี้ขนาบิทบาทก็เจริญสติได้ พระเจ้าสอนให้พระเจริญสติในขณะที่ไปบินธบาทให้มีสติอยู่กับการบินธบาทอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับงานบินธบาทเวลากลับมาจากการบินธบาทจะมาฉันก็ให้มีสติอยู่ ก, การฉันให้มีสติอยู่ ก, การเคลื่อนไหวาการการะทาต่างๆของร่างกายตลอดเวลาด้วยการ ท่าดู ด, ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปในขณะที่เราทํากิจกรรมต่างๆอันนี้ต่อไปสติเราก็จะต่อเนื่องสติเราก็จะสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปลือยได้พอเวลาเราว่าเราไม่ต้องทําอะไรแล้วก็มานั่งหลับตาแล้วเราก็มาพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่เผลอราอยู่กับพุโทโธ เดี๋ยวไม่นานใจก็จะดิ่งลงสู่ความสงบได้จิตรวมเหมือนตกลงว่าเวลาจิตรวมก็เหมือนตกลงมาจากที่สูงวูบลงมาแล้วก็นิ่งสงบแล้วก็เย็นสบายมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่มีในโลกนี้ความสุขที่เราได้จากการได้เงินได้ทางได้ยศได้ตําแหน่งได้รางวีรางวาัลอะไต่างๆ ได้ความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆนี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่เราได้จากการเข้าสมาธิไม่ได้<ม>ความความสุขของสมาธินี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง<ม>พอเราเข้าสมาธิได้เป็นครั้งแรกแล้ว<ม>ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ชื่อหมูแลบลิ้นก็ตาก ลดแห่งความสุขนี้ลดของความสงบนี้มันจะประทับใจมันจะทำให้เรามีความติดอกติดใจกับลสของความสงบมันก็จะทำให้เราไม่อยากจะไปหาความสุขแบบที่เราเคยหาอีกต่อไปเวลามีความอยากเราก็จะสอนใจว่าความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าอยู่ที่ความสงบไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นไม่ได้อยู่ที่ลาบยศฉลเสร ความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวมีได้แล้วก็หมดได้เวลาหมดความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันที อ, อันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นของการชำระจิตใจถ้าเราทำได้เพียงแต่ขั้นที่หนึ่ง เราก็จะเวลาตายไปเราก็จะไปเกิดในพรหมโลกใน<ม>เกิดในรูปภพพรหมโลกของพรหมที่มีลูกเรียกว่ารูปภพถ้าเราได้อารูปฌานความสงบที่ละเอียดกว่ารูปฌปานเราก็จะได้ไปเกิดในอรูปภพภพของพรหมที่ไม่มีรูปแต่ไม่ว่าจะเป็นภพของ คมที่มีรูปไม่มีรูปก็ดีมันก็เสื่อมได้มันก็จะหมดได้เพราะว่าสมาธิหรือสติที่ส่งให้ใจไปสู่พรรมโลกนี้มันก็หมดกำลังได้พอมันหมดกำลังมันก็จะถูกอานาจของความโลภความอยากของกาลมาตฐาหาภาวะตันหาวิภาวะตันห า, า, นหาดึงใจให้กลับมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนคนอื่นทั่วไปจะมาเกิดเป็นนักบวชเป็นส่วนใหญ่พอมาเกิดแล้วก็จะไม่ชอบไปหาความส <lion. S 1> ุขจากการมีครอบครัวจากการมีแฟนจากการมีทรัพย <le> yes. okay. <esti> ์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่จะชอบเป็นคนที่อยู่ตามลําพังชอบหาความสุขจากการฝึกสตินั่งสมาธิเพราะมันจะเป็นนิสัยที่ติดตัวมา เราจึงมีคนที่มาเกิดแล้วมีการแสวงหาความสุขในรูปแบบต่างๆกันคนส่วนใหญ่ก็จะมาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่มีคนส่วนน้อยคนที่เคยฝึกคนที่เคยหาความสุขจากรูปประชารเมื่อรูปประชารพวงนี้่เขามักจะไปเป็นนักบวชกันเพราะเขาจะไม่เขาไม่ชอบความสุขที่ได้จากการเสกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เขาไม่ชอบความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นความสุขที่ยากและเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่ทํทำให้เกิดความทุกข์กังวลใจขึ้นมาได้สู้ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้ถ้าเขาเคยทำใจให้สงบแล้วเวลาเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะเป็นมนุษย์ที่ชอบไปบวชกันชอบไปอยู่แบบนักบวช ชอบไปอยู่คนเดียวหาที่สงบชอบนั่งสมาธินี่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในในยังยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบอยู่ถ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดของตายภพก็ต้องกําจัดความอยากทั้งสามอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยากเสอรูปประชานอยากจะเสบรูปประชานที่ กำลังของสมาธิมีเพียงแต่กดเอาไว้แต่ไม่สามารถทำลายมันได้สิ่งที่จะมาทำลายความอยากทั้งสามได้นี้ได้คือความอยากในกามาคุณหความอยากในรูก ป, ประชานความอยากในรูก ป, ประชานนี้ต้องมิใช้ปัญญาปัญญาก็คือการเห็นว่าความสุขของกามก็ดีความสุขของรูก ป, ประชานก็ดีความสุขของอาูก ป, ประชานก็ดี เป็นทุกข์ทุกข์อย่างไรเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่มันไม่ถาวรมันเปความสุขชั่วคราว<ม>เวลาได้เสพก็สุขพอเวลาไม่ได้เสพก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากเสพการความอยากเสพรูปฌานความอยากจะเสพแล้วรูปฌานนี้เป็นทุกข์มันก็จะหยุดหยุดความอยากนี้ทันที ทุกครั้งที่อยากจะเสกกามก็ไม่เสกทุกครั้งที่ปปอยากจะเสกรูปชาติก็ไม่เสกอยู่เฉยๆอยู่นิ่งเฉยๆแต่แต่ว่ารู้ไปเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิแต่นี้ไม่ได้เข้าสมาธิด้วยสติแต่เข้าสมาธิด้วยปัญญาให้ปัญญาสอนใจให้ระงับความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาพอใจระงับความอยากได้จิตก็สงบลงเหมือนเข้าสมาธิแต่ไม่ต้องเข้าสมาธิ สงบเพราะความอยากได้ถูกกําจัดด้วยปัญญาต่างกับความความสงบที่เกิดจากสติจะเกิดจากการเข้าสมาธิเป็นเป็นการเป็นความสงบที่เกิดจากการากดความอยากเอาไว้แต่ไม่ได้กําจัดมันเพียงแต่กดเอาไว้ห้ามมันไม่ให้โผล่ขึ้นมาด้วยกําลังของสติด้วยกำลังของสมาธิต่างกันตรงนี้ของปัญญานี้ สามารถทำลายความอยากได้เลยเพราะเห็นว่ามันเป็นเหตุของความทุกข์นั่นเองใจที่ใจทุกข์เพราะความอยากต่างๆนี่เองแต่เห็นชัดเจนเวลามีความอยากก็ไม่มีความอยากนี้ใจจะมีความรู้สึกต่างกันเวลาไม่มีความอยากนี้ใจจะนิ่งจะสงบจะสบายพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาภายในใจแล้วใจจะร้อนขึ้นมาทันที ใจจะกังวลกระวายกังสับกัสายกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาทันทีคนที่ปฏิบัติถึงขั้นนี้จะเห็นโทษของความอยากว่าความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายให้กับใจแล้วสิ่งที่ไปอยากได้มันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นเรื่งของชั่วคราวมันเป็นของที่ไม่ได้ให้ความสุขตลอดเวลา ความสุขของการางก็ขณะที่เราได้เสพเวลาเราได้เสพรูปเสียงกิน่นรดได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรเวลานั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาพอเวลาเรากลับบ้านเราไม่ได้ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรความสุขเหล่านั้นก็หายไปความเศร้าก็เข้ามาแทนที่ทันทีเช่นเดียวกับเวลาเราเข้าสมาธิใจก็สงบมีความสุข แต่พอเวลาออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มทุกข์เริ่มวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีน mm ี hmm. คนที่ปฏิบัติถึงขั้นนี้แล้วจะเห็นโทษของความอยากทั้งตัวความอยากเองและสิ่งที่อยากได้ mm hmm. สิ่งที่อยากได้ก็ไม่เที่ยว mm hmm. ควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ควบคุมให้มันให้ความสุขตลอดเวลาไม่ได้สั่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นของชั่วกลาง mm hmm. พอมันเสื่อมมันหมดก็จะทำให้ใจเศร้าวเวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาในใจมันก็จะทำให้ใจวุ่นวาย ใ, ใจไม่สงบพอเห็นโทษด้วยปัญญาเห็นโทษของความอยากด้วยปัญญาแล้วหยุดมันท่านหนึ่งไม่ทำตามความอยากท่านหนึ่งาออยากจะดูอยากจะฟังอยากจะเสบรูปเสียงกลิกนก่นแล้วก็ไม่เสดขา อ, อยากจะเข้าสมาธิก็ไม่เข้าพออยากจะ เข้ า, าูปประชาญก็ไม่เข้าให้อยู่เฉยๆให้สักแต่วรู้ไปพอความอยากที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้รับการตอบสนองความอยากนั้นก็จะหายไปสูญหายไปแล้วก็จะไม่กลับมาสร้างความอยากให้กับใจต่อไปพอไม่มีความอยากมาสร้างความวุ่นวายสร้างความความอยากต่างๆสร้างความ ไม่สงบให้กับใจใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิใจไม่ต้องเสดการเพื่อให้เกิดความสุขไม่ต้องเสดสมาธิไม่ต้องเสด็ จ, ร, จรูปปชาญหรืออารู ป, ประชาญสามารถอยู่อย่างเฉยเฉยอย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องทาอะไรเพราะตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจได้ถูกกาจัดด้วย ปัญญาปัญญาเห็นโทษของความอยากเห็นว่าความอยากนี่เป็นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจต่างๆพอกำจัดความอยากได้ด้วยปัญญาปัญญาเห็นว่าอยากไปทำตามความอยากถ้าไม่อยากจะให้ใจวุ่นวายก็อย่าไปทำตามความอยากอย่าปล่อยให้ความอยากมันโผล่ขึ้นมาต้องฝืนความอยากไปพอเราไม่ทาตามความอยากความอยากมันก็จะหมดกำลัง มันก็จะไม่โผล่ขึ้นมามาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ว่าทางร่างกายก็ดีทางทรัพย์สินหรือนาบยศสารเสริญอะไรก็ดีใจที่ไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแทรู้สึกเฉยๆได้ทรัพย์สมบัติเงินทองมา ก็เฉยๆไม่ตื่นเต้นดีใจสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปก็ไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจเ mm hmm. พราะว่าใจไม่มีความอยากในกับสิ่งต่างๆนะไม่ได้มีความอยากให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับตนเป็นของตนไปเรื่อยๆ mm hmm. หรือเวลาไม่มีก็ไม่ได้มีความอยากจนนั้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เป็นสมบัติของตนเ mm hmm. พราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นทุกข์ มันเป็นของไม่เทีย่ยวเป็นของที่เราสั่งให้มันเป็นเป็นของเราให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้มันเป็นของชั่วคราวบ <troll. S 1> างวันหนึ่ง <Đ úng. S 1> ก็ต้องมีการพัดผ่าจากกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากไปหยาบอยาบไปยาบให้เขาไม่จากเราไปเมื่อถึงเวลาเขาจะจากก็ปล่อยเขาจากไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่จากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ อนนี่คือทางเลือกที่สามของจิตใจของพวกเราเราสามารถเลือกไปพรหมโลกเลือกไปนิพพานได้การจะไปนิพพานนี่เราต้องผ่านพรหมโลกก่อนเราต้องเจริญสติเข้าฌานให้ได้ก่อนถ้าเราเข้าฌานได้เราก็จะไปถึงพรหมโลกแล้วพอเราถึงพรหมโลกแล้วเราถึงจะสามารถใช้ปัญญาพาใจให้ออกจากพรหมโลกให้เข้าสู่พัฒนิพานต่อไปได้ นี่คือสามทางเลือกของจิตของจิตใจของพวกเราทุกคนที่พวกเราสามารถเลือกไปได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นคารวะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกไปในทิศทางไหนก็ได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเรารู้รึเปล่าว่ามันเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกกันได้ ส่วนใหญ่เราก็มักจะไม่รู้ว่าเราตายไปแล้วเราจะไปไหนกันที่เราไม่รู้ก็เพราะว่าเราไม่ไปหาหมอดูหมอดูดวงชะตาดูดวงของชีวิตของพวกเรานั้นเองเราไปหาหมอดูที่ไม่ใช่เป็นหมอดูที่แท้จริงหมอดูที่หลอกให้เราคิดว่าโอ๊ยเราจะอยู่อย่างนั่มโวยเราากจะอยู่อย่างมีความสุขอันนี้มันเป็นของของหลอกของปลอม ของจริงเขาไม่ยอมดูกันเขาไม่ยอมบอกเรามีพระพุทธเจ้าท่านั้นาะที่เป็นคนกล้าพูพดกล้าบอกความจริงของดวงชะตาของพวกเราทุกคนว่าร่างกายของพวกเรานี้ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครไม่มีข้อยกเว้นจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กจะฉลาดหรือจะโง่จะดีหรือจะเชื่อร่างกายนี้ต้องเป็นไปเหมือนกันหมดทุกคน ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวสำคัญเพราะร่างกายนี้มันก็เพียงแต่เป็นแค่ดินน้ำลมไฟมันเป็นเพียงแต่เป็นผู้ที่มารับใช้เราให้เราใช้ร่างกายเรามาทามาทำผลประโยชน์ให้กับใจเราถ้าเราไม่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราจะไม่สามารถมาทำบุญได้ไม่สามารถมาละบาปได้ไม่สามารถมาชำระจิตใจให้สะนาบริบสุทธิ์ได้ การมีร่างกายของมนุษย์นี้มันมีคุณประโยชน์ที่ตรงนี้มันจะใด้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถส่งจิตใจส่งดวงวิญญาณของเราให้ไปสู่ที่ที่เราต้องการจะไปได้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปอบายเราก็รักษาศีลไม่ทำบาปไม่เสพอบา ย, ยมุขดวงวิญญาณของเราก็จะไม่ไปเกิดในอบายถ้าเราอยากจะไปเกิดในสวรรค์เราก็ทาบุญทาทานไม่ทาบาป ถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ต้องไปไปปฏิบัติธรรมไปเจริญสตินั่งสมาธิที่เรียกว่าสมถะภาวานาวิปัสนาภาวานาสมถะภาวานาก็คือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิถ้าทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมโลกก่อนแล้วพอเราได้สวรรค์ชั้นพรมโลกแล้วเราถึงจะไปขั้นต่อไปได้คือขั้นปัญญา ขั้นปัญญาหรือขั้นวิปัสสนาภาวนาเราก็ต้องใช้ปัญญาศึกต้องใช้ปัญญาศึกษาให้เห็นถึงอริยสัจสีให้เห็นถึงตายรักให้เห็นว่าทุกข์หรือการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้เกิดจากความอยากในการเสพการเสพลูกประชานและเสพเมลูปประชานถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราอยากจะไปนิพพานเราอยากจะให้จิตเราสงบมีความสุขตลอดเวลา เราก็ต้องกำจัดความอยากต่างๆทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาอยากจะเสพการก็ไม่เสพอยากจะเสพรูปฌานก็ไม่เสพอยากจะเสพบรระชฌานก็ไม่เสพเหมือนกับคนที่อยากจะเลิกบุหรี่ทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ก็อย่าไปสูบมันทุกครั้งที่อยากจะสูบก็ไม่สูบมันเดี๋ยวต่อไปความอยากสูบมันก็จะหายไปเช่นเดียวกับการดื่มสุราทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราเราก็ไม่ไปดื่มมันฝืนมัน ไม่ทุกครั้งที่เราฝืนมันได้ต่อไปความอยากจะดื่มชรลามันก็หมดไปแต่การที่เราจะฝืนความอยากของเราได้เราต้องมีเราต้องมีสติมีสมาธิเพราะถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิใจจะเครียดใจจะทุกข์ใจจะวุ่นวายแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถควบคุมความเครียดความทุกข์ความวุ่นวายใจได้ต้องมีสติต้องมีสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้ ไปจะใช้ปัญญาในการหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าพยายามจะหยุดความอยากในขณะที่ยังไม่มีสติไม่มีสมาธิกำลังพอนี้เวลาเกิดความอยากแล้วสู้ไม่ไหวทนไม่ไหวเพราะว่าทนกับความเครียดทนกับความหงุดหงิดลำคาญใจที่ความอยากมันผลิตขึ้นมาไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกสติมีกำลังมากพอที่จะหยุดความเครียดหยุดความหงุดหงิดใจได้เวลาเกิดความอยากจะเสพ สุราก็ดีดุสูบบุหรีก็ดีไปเที่ยวก็ดีมีแฟนก็ดีพอเรามีกำลังของสติเราก็จะหยุดความหงุดหงิดความเศร้าหมองความลำคาญใจได้แล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้ฝืนความอยากได้<ม>นั่นนี่คือทำไมเราถึงต้องไปเจริญสติก่อนทำไมเราต้องไปเข้าสมาธิก่อน<ม>ต้องเข้าเข้าสมาธิเพื่อให้ใจเรามีพลัง ที่จะหยุดความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดเวลาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาป<ม>กตินี่ถ้าเราสังเกตดูถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธินี้พอ เ, เกิดความอยากที่จะทําอะไรขึ้นมาเนี่ต้องทําให้ได้เวลาไม่ได้ทําล้วมันรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจเศร้าสร้อยง้อยเหงห า, งาเบือ่อน่ายขึ้นม า, ท, าทันทีแต่ถ้าเราฝึกสติมีสมาธินี่เวลา เกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราไม่ทําตามความอยากเราสามารถควบคุมอารมณ์หมูดหงิดอารมณ์ลำคานใจที่จะเกิดขึ้นจากความอยากได้ mm hmm. เมื่อเราควบคุมอารมณ์เหล่านี้ได้เราก็จะฝูนความอยากได้ไม่ต้องทําตามความอยากได้ mm hmm. ที่คนเรายังฝูนความอยากไม่ได้ก็เพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิเท่านั้นเองอยากจะเดินชรามันก็เกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาทันทีนะ จนในที่สุดทนไม่ไหวก็ต้องไปดื่มแต่ถ้ามีสติมีสมาธินี้ อ, อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ขานใจมันจะไม่เกิดถ้ารู้ว่ามันดื่มซทวลาแล้วเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขก็อย่าไปดื่มมันดีกว่าเพราะเราไม่ดื่มมันตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะลดน้อยถอยลงไปแลวหายไปในที่สุดได้เ mm. ช่นเดียวกับการที่เราจะทาให้ใจเราสิ้นกิเลสสิ้นความอยาก เราก็ต้องมีปัญญามีสมาธิเวลาปัญญาก็จะสอนว่าความอยากต่างๆนี้จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายในตายพบอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องฝืนความอยากไม่ต้องทําตามความอยากถ้าเรามีสมาธิเราก็ฝื น, นได้หยุดได้ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดจากใจไป าจะไม่มีความอยากของหนื อ, อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรจะมาสร้างความทุกข์สร้างความกุิลให้กับใจต่อไปใจก็จะนิ่งสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาที่เราเรียกว่าเป็นบมมามสุขนิพพานังบาลมังสุขขังใจที่สงบสุขตลอดเวลาเพราะไม่มีเพราะไม่มีกิเลสตัณหาลหลงดืออยู่กับใจแล้วเราเรียกว่านิพพานนิพพานาไม่ใช่สถานที่ นิพพานเป็นสภาพของจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ได้รับการชำระด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนากําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาใจเป็นใ จ, ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็จะไม่มีไม่มีตัวที่จะดึงใจให้ไปกลับไปเกิดติดตไปไม่ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปมาฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้เราได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้มันก็จะหมดสิ้นไปด้วยการ mm hmm. บำเพ็ญกิดข้ อ, อางานข้อที่สามทางเลือกข้อที่สามก็คือต้องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นถ้าชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้อนาคตของใจเราก็จะไปอยู่ที่พระนิพพาน ถ้าเราเพีงแต่ทำบุญทำทานรักษาศีลเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราไม่ทไม่รักษาศีลไม่ทำบุญทำแต่บาปเจ็บตาบายมุกเราก็จะไปอบาบัยไปเกิดในอบายสี่เป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเป็ดแป้งเป็นปนสุลกกายบ้างเป็นนรกบ้างนี่แหละคือดวงชะตาของพวกเราทุกคนทางร่างกายนี้เราเลือกไม่ได้ร่างกายของเรามันเป็น ดวงชะตาที่ตายตัวตัวแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปด้วยกันทุกคนแต่ดวงชะตาของใจเรานี้เราเลือกได้มีสมทางเลือกด้วยกันถ้าไม่ต้องการจะไปอบายก็ให้รักษาศีลอย่าทําบาปอย่าเสพอบายอย่างถ้าอยากจะให้ใจเราไปสวรรค์เราก็ให้ทําบุญทําทานรักษาศีลให้ใหดีอย่าทําบาปถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราก็ไปบวชเป็นนักบวช แล้วก็ไปเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาตามลำดับเราก็จะสามารถส่งให้ใจไปสู่พระนิพพานได้ดังที่พระเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้กระทำกันพระพุทธเจ้าพระหลานสาวกทุกรูปนี้บาเพ็ญจิตตภาวนาด้วยกันทุกคนรักษาศีลตั้งแต่ศีลศีลแปดขึ้นไปด้วยกันทุกคนคือปฏิบัติในขมมะ ปฏิบัติในขมมะแล้วก็จเจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเพื่อเป็นการชำระสักพ้อจิตใจให้สะอาดโดยสุธดให้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆพ อ, อใจสะอาดบริสุทิ์แล้วใจก็จะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นบรลมมสุขขึ้นมานี่คือการดูดวงชะตาของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเราอยากจะรู้ดวงชะตาของพระพุทธเจ้าว่าเราจะไปทิศทางไหนก็ขอให้มาดูกับพบระพุทธเจ้ารับรองว่าเราจะไม่ผิดหวังเพราะดวงการทํานายของพระพุทธเจ้านี้เป็นคํานายที่ถูกตั้งแม่นยําที่สุดนี่ก็คือเรื่องของการดูดวงชะตาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเรวาหาปูราปริกุเรนติสากหลังเอวเมวัจุทินนางเปตานังอุปกัรปติยุทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระสุยะถามณิโชติ อาราโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตลาโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทานศีลิษะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวาทานเตอายุวันโอสุขัง าวาาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่เหมาะที่สุดเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบเพราะจะมีการกระทำอะไรอย่างอื่นต่อดังนั้นถ้าอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต441คน YouTube พระสุชาติไลฟ์354 YouTube ด r V Channel 46วิทยุออนไลน์10 Clubhouse 4ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ169คนรวมทั้งหมด 1,024 ครับโอเคดูมีคำถามหรือเปล่าครับ บางครั้งเราใบข้างนอกแสดงมาใปธนาคารรอคิวดูใบทะเลบางครั้งผมก็อยากนั่งสมาธิแต่ผมกลัวคนอื่นจะมองไปผมต้องเขียแบบไหนในเหตุการณ์นี้ครับออที่นั่นไม่ใช่เป็นที่นั่งสมาธิที่เที่ยวไม่ใช่เป็นที่นั่งสมาธิที่นั่งสมาธิต้องไปที่ในป่าไปบนเขาชที่ย อ, อยนี้ เพราะว่าถ้าไปนั่งสมาธิตรงที่เที่ยวเขาจะหาว่าเราบ้าไปนั่งสมาธิในบ า, านเงี้ยม <laughs> นก็จะกินเหล้ากันอยู่ไปนั่งพุดโธพุทโธเพททราะนีผิดกาลเทศะ wrong time wrong place ครับผมโอเคครับใจครับการจะนั่งสมาธิได้ประโยชน์ต้องไปที่เงียบๆที่ไม่มีคนที่ไหนที่เงียบๆไม่มีคนไม่มีใครรู้ว่าเรานั่งสมาธิดีที่สุด จะแสดงว่าผมผมยั่ไงเมื่ อ, อามามีวัดมู่บานก็สามารถไปนั่งสมาธิที่นี่ได้ทุกแม่มันไม่ใช่เป็นวัดปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ถ้าไม่ว่าเป็นปฏิบัติธรรมก็แปลกเลยก็รู้ไปอ่าต้องไม่ไวัดที่เขาปฏิบัติธรรมทาเหมือนกันก็กไม่แปลถ้าไปวัดที่เขามีงานอะไรเราไปนั่งสมายที่มือนก็ไม่เหมือนเขาเขาทำอะไรเหมือนให้เหมือนเขาครับผม เอ่อหนูเพิ่งจะพอนั่งสมาธิได้แล้วท่านหนูทําแบบนี้หนูจะทําไปเรื่อยๆจะเข้าฌานได้หรือเจ้าคะได้ถ้าทํามากขึ้นอยู่ที่สติถ้าสติมีกําลังต่อเนื่องไม่เผลอไม่แวบเนี่นั่งห้านาทีสินาทีก็เข้าฌานได้อยู่ที่สติว่าเราฝึได้มากได้น้อยเท่าไหร่ หนูชอบฝึกสติแต่หนูลืมบ่อยๆหนูต้องคิดก็เผอสติไงระวอย่าเผออย่าลืม้องคอยเตือนใจเจ้าค่ ะ, ะทีนี้หนูไปเข้าใจว่าจิตหนูเป็นพญามารอ๋อก็เป็นความหลงไงไม่มีไม่มีเป็นพญามารจิตเราก็เป็นจิตเหมือนจิตทุกๆคนมีดีมีเชื่อ ถ้าคิดไปในทางไม่ดีมันก็เป็นจิตที่ไม่ดีถ้าคิดไปในทางที่ดีมันก็เป็นจิตที่ดีไม่เวลาจิตเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ดึงมันกลับมาให้คิดไปในทางที่ดีเจ้าค่ะอย่างองคุลิมานก็คิดฆ่าคนนะอันนั้นก็เป็นจิตชั่วจิตมารแต่พอเจอพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เลิกฆ่าคนอย่าไปฆ่าคนฆ่ากิเลสก็เปลี่ยนความคิดใหม่ ก็กลายเป็นผ้าหันขึ้นมาได้ขอธรรมสการเจ้าค่ะพูดดังๆหนะอ่นะอยากถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาจิตสงบดีแล้วทำไมมันชอบสายสายนิดๆนะคะอ๋อยังไม่สงบพอยังไม่สงบพอแล้วพอมันไม่สายอ๋อแล้วปฏิบัติแก่อย่างไรเจ้าค่ะต่อไปทำต่อไปพูดโทฝึกบ่อยๆนะ แล้วถ้าลรขมได้นี่ถือว่าถูกต้องไหมใช่เลยนะขมไม่ให้สายใช่ถ้ามันเนื่งจิตนื่งกายนิ่งอรรมดาเจ้าค่ะส่วนมากเริ่มจะขมได้มั่งแล้วนะคะพยายามแต่รู้ตัวอยู่นั่งต้องใช้สติแล้วอย่านั่งเฉยๆต้องพุทโทพุทธโทไมต้องดูลมหายใจนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วจิตจะไม่นื่งองมีวิธีไหนที่ที่ทํารัดสั้นตรงและสงบได้ง่ายม้างไหมคะ ก็เนี่ยปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเนะตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่กสติพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนทั้งนั่งและเดินและยืนและนอนใช่ทำได้หมดขอบคุณเจ้าล่ะขอบคุณเจ้าค่ะ คำถามจากทางอินบ็อกซ์สองคำถามครับคำถามแรกจากคุณเปลีน่นลูกทราบมาจากการอ่านว่าถ้าอยากทําบุญกับพระพุทธเจ้าก็ให้ทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่กําลังอาพาธอยู่จะได้บุญอ น, นิสง์เหมือนทําบุญกับพระพุทธเจ้าอันนี้จริงหรือไม่ครับก็พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเห็นภาพป่วยแล้วไปรักษาภาพป่วยก็เท่ากับได้รักษาพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้ามีความรับผิดชอบกับพระทุกลูกมีภาร ะ, ะหน้าที่คอยรักษาดูแลพระที่มาบวช mm hmm. ฉะนั้นถ้าใครมาแบ่งเบาภาระของพระพุทธเจ้าได้เขาถือว่าได้ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้า mm hmm. คําถามต่อไปจากคุณทีคัตนา mm hmm. การดับทุกข์ได้อย่างถาวรยังไงก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาใช่ไหมครับ ขอความเมตตาครับ ต, ต้องเห็นทุกข์ว่ามันเกิดจากความอยากเวลาใจเกิดมีความอยากใจมันจะร้อนขึ้นมาทันทีแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวมันหายไปมันหมดไปก็ทำให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์ในสองส่วนทุกข์ในใจเราที่เกิดจากความอยากและทุกข์ในสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์ เราก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปตัดคำอยากได้คำถามต่อไปจากคุณออรากรรมฐานกายคตาสติสามารถทำให้ไปถึงปฐมฌานชานที่หนึ่งได้ไหมครับไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นการแค่ฝึกสติในช่วงที่ยังมีการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่เชน่นเดินก็ให้มีสติรู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งก็รู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ยงเพียงแต่เป็นการเจริญสติ ถ้าอยากจะให้เข้าฌานต้องนั่งเฉยๆแล้วมาเปลี่ยนเป็นอนาปนาสติมาดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมกูกอย่างนี้จะทําให้จิตเข้าฌานได้แต่ก่อนจะเข้ามาอนาปนาสติได้ก็ต้องผ่านกายกตาสติก่อนเพราะเราไม่ได้นั่งทั้งวันทั้งคืนแต่เรามีการเคลื่อนไหวทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาเราหลับยังให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกเวลานาทีแล้วใจเราจะมีสติไม่เผลอ พอามานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนมาเป็นดูลมหายใจอานาปนาสติอพอดูลมหายใจแล้วทีนี้นะใจก็จะรวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้คำถามต่อไปจากคุณปิงหลังจากการสวดมนต์ทำวัดการสวดมนต์แบบ108จบ ติดต่อกันใช้เวลาสวดประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนั่งสมาธิภาวนาพุทโธต่อไปถือเป็นวิธีการภาวนาที่ถูกต้องไหมครับก็เป็นการทำแต่ยังได้ผลหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจิตสงบหรือไม่สงบเป็นการกระทำขั้นต้นการเจริญสติการสวดมนต์นี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาไม่ให้ใจลอยไปลอยมาให้มีสติคอยดึงใจไว้ให้อยู่กับบทสวดมนต์ พอสวเสร็จก็มีสติพอที่จะนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้ก็ภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาถึงจะได้ผลถ้ายังนั่งแล้วยังไม่ได้ผลก็ต้องทมต่อไปเรื่อยๆด้วยกว่าจิตจะสงบนิ่งคำถามตอไปจากผู้ฝากถามการมีสามีภรรยาคือการเสพรูปรส กลิ่นเสียงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ก็รูปของภรรยาเสียงของภรรยากลิ่นของภรรยาเป็นต้นของสามีของภรรยาได้จับได้แตะต้องนี่ก็เป็นผลทพะของสามีของภรรยา<ม>จับเนื้อต้องตัวอ่ะดูครับผมเพื่อที่จะเข้าใจชาเจนเมื่อกี้ผมไม่ได้หมายถึงจะนังทาคาสมาธิก็นัง โดยปกติแค่ปิดตาถ้าไม่มีคนรู้ก็ไม่เป็นไรแต่วแค่ปิดตามันเป็นปกติรึเปล่าก็เป็นปกติไปดูไปที่เขาไม่เขาไม่ปิดตากันเราไปปิดตา<ะ>คนเดียวพระอาารก็แนะ น, นํำบนบนเดิมใช่ไหมคือถ้าจําเป็นถ้าจะต้องอยู่ในที่นั้นแล้วเราไม่อยากจะวุ่นวายเราก็ปิดตาพุโทโธของเราไปก็ได้เป็นไ ป, น ป, น ป, น ป, นปนรอหมอที่โรงพยาบาลอย่างเี้ย ท่านี่อยเปิดนกักสีนดูเปิดโทศัสท์ดูแล้วก็<ะ>หับตาแล้วก็พุทธทพทธทไปได้ได้ในในกรณีนั้นไ ด, ได้มันได้แต่เพียงแต่คนก็คงจะมองเราแปลกแปกแต่ว่ามันข้อเสียแต่ว่ามันมีประโยชน์ไ ม, ไม่มีข้อเสียอะไรเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้คนเขามองเราไม่ไมว่าเราไม่ปกติอะไรมันแค่นมันแค่นันเองใช่ไหม<ะ>แต่ว่าอะไรไีุ่งมขามากกว่า แ ต, <laughs> แต่ก็มีคนบางคนที่เวลาเขานั่งรถไฟนั่งรถไใต้ดินเเขาก็นั่งเขาก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปใช่ทำได้ไ ม, ไม่เป็นายไม่เสียหายอะไรโอเคคับโอเคขอบคุณมาก คำถามต่อไปจากคุณสกายเวลาที่นึกถึงเรื่องราวต่างๆฟุ้งซ่านแต่ก่อนรู้ตัวแล้วอยากจะออกมาจากความคิดแต่ก็ออกไม่ได้อยากคิดต่อแต่ช่วงนี้พอคิดไปเรื่อยพอรู้แล้วว่าคิดพอรู้แล้วมันก็หายไปจะรู้สึกมีความเย็นในตัวมีความสุขนิดๆข้างในครับความสุขที่เกิดขึ้นมันคืออะไรครับก็ความสงบในระดับต้นๆ พอใจไม่คิดเหมือนกันเหมือนกับเราก็หยุดปุดความร้อนของใจลงลดความร้อนของใจลงเวลาคิดใจก็จะรอนขึ้นมาพอเราหยุดความคิดได้ความร้อนก็จะลดน้อยจะเรียกว่าเป็นเป็นการลดน้อยของความคิดก็ได้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิยังไม่นิ่งถ้าเล็กแล้วใจจะเย็นเหมือนเข้าตู้เย็นเลยคำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม พระสงฆ์ที่ถือศีล227ให้ศีลให้พรโยมแต่ท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมใดๆเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้จะเป็นปัจจัยในชาติหน้าต่อไปไหมครับเป็นปัจจัยหมายถึงเป็นปัจจัยของใคร เ, เป็นปัจจัยของพระครับที่จะได้ไม่หรอกพระต้องปฏิบัติต้องศึกษาต้องปฏิบัติถึงจะเป็นปัจจัยการให้ศีลให้พรก็เป็นเหมือนกับการท่องจานั่นเอง ต้องจำวมาศีลมีอะไรบ้างอาณาปานาปานาติปาปตาเวรมณีมันก็มันอยู่ที่การจะมีศีนไม่มีศีนเป็นปัจจัยต้องอยู่ที่การรักษาศีนหรือไม่รักษาศีลไม่ใช่อยู่ที่การให้ศีลพูดมันตัวเองต้องรักษาศีนแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไปต่อไปมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัย คำถามต่อไปจากคุณนันทพรถือศีลแปดอยู่กับบ้านทํางานบ้านไปด้วยได้ไหมครับได้ไม่มีข้อห้ามเพียงแต่ไม่ให้เสพการไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ไมเวลาจะกิน ก, ก็กินในเวลาเป็นมือ้ออย่าไปกินช่วงเวลาระหว่างมือ้อแล้วก็ไม่ให้ดูมอหอลสบดันแทงอะไรต่างๆไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนนี้เป็นต้น คำถามต่อไปจากคุณวงรวีถ้าเราจำความรู้ทางโลกมาเยอะเวลาเข้าทางธรรมจะละได้ยากไหมครับไม่ยากหรอกถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็จะไม่เข้ามายุ่งกับเราถ้าเรามีสติให้อยู่กับทางธรรมมันก็จะอยู่กับทางธรรมไปเรื่อยๆคำถามต่อไปจากคุณนันทิยาเราจะมีวิธีทำบุญให้คนที่ค่าตัวตายอย่างไรบ้างครับ ที่ดวงวิญญาณของเขาจะได้รับบุญครับคือดวงวิญญาณของคนที่ข่าตัวตายมักจะไม่ได้มารอรับบุญเพราะก็ต้องไปใช้โทษในนรกเหมือนไปติดคุกติดตารางต้องรอให้เขาพ้นโทษออกมาก่อนถ้ามาเป็นขอทานทางจิตวิญญาณก่อนเราถึงจะสามารถที่จะส่งบุญไปให้เขาได้คำถามต่อไปจากคุณเทลมีเมื่อถอนจากสมาธิแล้ว เราจะคิดพิจารณากายหรือจะรอให้ปัญญาพิจารณากายเกิดขึ้นเองครับ อ, อ๋อปัญญามันไม่เกิดขึ้นเองเราต้องสอนมันสอนให้คิดว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่สวยไม่งามมีอาการสาสิบสองเป็นต้นสอนเพื่อให้เราจะได้ปล่อยวางร่างกายไม่ไปทุกข์กับร่างกายคำถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์ครับ ถ้าเราถือศีลแปดในวันที่ทำงานโดยที่ไม่ได้หยุดกิจกรรมหน้าที่การงานทั้งโลกในระหว่างวันจะปฏิบัติทำได้ก็เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงค่ำโดยการสวดมนต์เดินจงกรมและทำสมาธิทั้งเช้าและค่ำครั้งละชั่วโมงครึ่งแบบนี้จะถือว่าศีลสมบูรณ์หรือไม่ครับอ๋อศีล ส, สมบูรณ์แต่การปฏิบัติไม่สมบูรณ์การปฏิบัติสตตสมาธินี้ได้น้อยมาก ถ้าอยากจะปฏิบัติให้มากต้งองรอวันหยุดทำงานแล้วกป็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกวเว้นไม่ไหลอกอันนี้ก็จะได้การปฏิบัติได้สติได้สมาธิมากขึ้นแต่สีนี้เราสามารถรักษาได้ตลอดเวลาคำถามต่อไปจากคุณตัวกลมตอนนั่งสมาธิบแบบหลับตาจะหลับวูบตลอดขอพระอ า, าอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยครับ ส่การหลับก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือไปนั่งสมาธิตอนที่กินอาหารเสร็จใหม่ๆมันก็จะง่วงได้ก็ต้องรอให้อาหารมันย่อยไปก่อนแล้วค่อยมานั่งหรือไม่เช่นนั้นก็ให้ถือไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอตกเย็นเรามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ง่วงคําถามต่อไปจากคุณสกาย ความเย็นเหมือนในตู้เย็นคือสงบในชีวิตประจําวันก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าต้องตอนหลับตาเท่านั้นครับ อ, อ๋อมันสงบได้ตลอดเวลาตอนไหนที่เราตัดความอยากได้ตัดความโลภได้ใจก็จะสงบขึ้นมาเย็นขึ้นมาทันทีคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แม่ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวและสอนลูกๆรวมถึงผมให้เห็นแก่ตัวถ้าไม่ทำตามก็จะไม่พอใจเช่นเวลาอยู่บนท้องถนนก็จะหงุดหงิดง่ายไม่ยอมเสียเปรียบให้ใครและชอบเอาเปรียบแซงคิวเวลาที่รถต่อแถวเพื่อเลี้ยวแม่ก็จะปาดขึ้นหน้าแซงคันอื่นไปต่อครับ ผมรู้สึกลำบากใจกับนิสัยแม่ไม่อยากเดินทางไปไหนบนท้องถนนด้วยเช่นไปโรงพยาบาลผมก็จะนัดไปเจอที่ห้องตรวจเลยคำถามครับอยากจะทราบว่าพระอาจารย์มีวิธีวางใจไหมครับก็เฉยๆไปแม่ก็จะทำอะไรก็เรื่องของเขาไปแต่เราไม่ต้องทำตามที่เขาบอก ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ต้องทําตามก็ได้ทําเป็นคนหูหนอกไปก็แล้วกันไม่ได้ยิน ไ, ไม่ได้ยินได้ฟังว่าเขาพูดอะไรไปไปล่อยเขาพูดไปแต่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราได้ถ้าเป็นการกระทาที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทําุ๊กเขาถามเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าคะถ้าคนที่ฆ่าตัวตายแล้วในชีวิตเขาไม่ ไม่ทำบาปอะเจ้าค่ะถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะต้องไปนรกเหรอเจ้าค่ะอ่าก็ทําก็ตอนตอนข่ามันก็บาปตั้งไลยนะครับไม่ทำบาปหมายถึงฆ่าตัวเองอ่าฆ่าตัวเองก็บาปบาปหนักด้วยเพาะพอกับฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วถ้าสมมติถ้าเป็นคนต่างชาติที่เขามีกฎหมายฆ่าตัวตายได้เจ้าค่ะแบบเหมือนกันจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายกฎแห่งกรรมไม่ไม่สนใจมันบาปทั้งนั้นเจ้าค่ะ คำถามต่อไปจากคุณนิ่มผู้ที่ตายแล้วเป็นเปรดเท่านั้นไหมครับที่สามารถจะรับส่วนบุญจากญาติได้ครับใช่เป็นดวงวิญญาณชนิดเดียวที่จะมาขอรับส่วนบุญดังนั้นมันไม่มีโอกาสที่จะมาจะไปติดคุกติดตารางคำถามต่อไปจาก ผู้ฝากถามพระอาจารย์ย้ำเสมอว่ายุคนี้คือยุคทองของการปฏิบัติธรรมคือการได้เกิดมาในเมืองไทยเจอพระพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์สั่งสอนแสดงว่าชาตินี้เราควรเร่งปฏิบัติธรรมเอานิพพานให้ได้ในชาตินี้เลยผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกต้องเหมือนกับเราเรอรถรอรถเมย์เราพอดีรถเมย์มัคันที่เราต้องการจะไปมาจอดพอดีมีที่ว่าง เราก็รีบขึ้นไปนั่งเลยอย่าไปเราเลยไปทำนู่นทำนี่เดี๋ยวเผลอดออกไปเราไม่ได้ขึ้นรถไปเราจะเราก็จะเสียโอกาสไปศ <c oughs> าสนาพุกนี้ก็เป็นเหมือนรถที่จะพาเราไปสู่พระนิพพา น, าน <c oughs> ถ้าเราไม่ขึ้นรถคันนี้เราก็จะไม่ไปไปไปไม่ถึงพระนิพพานคำถามต่อไปจากคุณบุญเกิด <c oughs> ผมไปทำบุญอุทิศให้กับคนที่จากไปในทุกๆวันพระ เขาจะได้รับไหมครับก็อย่างที่บอกอะอยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือไม่ถ้าเขาไม่ได้มารอรับเขาก็ไม่ได้รับเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่สูญเสียอะไรบุญที่เราอุทิศไปมันก็ก็จะกลับมาหาเราหรือเราจะให้ผู้อื่นต่อไปก็ได้เช่นเราจจะอุทิศว่าขออุทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเขาไม่มารับก็ขอให้ดวงวิญญาณดวงอื่นที่ต้องการบุญนี้ให้รับไปเลยก็ได้อันนี้เราก็ทําได้ ผมถามหมดแล้วครับ okay. มีกครอยากจะถามอีกไหมไม่มีเดี๋ยวจะเข้ามาถามทีหลังไม่ได้นะนะเข้ามาแล้วค่ะ ข, ข อ, อกาสดค่ะ อ, อ, อยากถามว่าเรามาบวชชีพามมาทำบุญตักบาตเพื่ออุทิศบุญกุศลให้พ่อให้แม่ตัวนี้ได้ไหมคะอะไรนะ มาตักทาบุญตักบาทมาบวชชีพราหมณ์เพื่ออุทิศบุญกุศลให้พ่อให้แม่ที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้อานิสง์ไหมเจ้าคะ่ะ ใครได้นี่อันที่สองพ่อแม่ที่ตายไปแล้วจ้ะก็อยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือไม่โอ้ต้องรอรับถ้าเขาไปสวรรค์เขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญถ้ามีบุญค่ะแต่ถ้าเขาไม่มีเขามารอรับบุญที่เขารับก็จะสง่งให้เข้าไปสวรรค์ได้โอเจ้าค่ะอ่ากับอย่างหนึ่งสงสัยตรงที่อ่านั่งสมาธิแล้วเห็นเห็นหัวใจตัวเองเป็นสีชมพู บุบเข้าวุบออกวุบเข้าวุบออกเป็นแสงสีชมพูอันนี้เพอละไม่ได้อยู่กับพุทธโธแล้วหลับแล้ว ล, ล่ะ<笑><笑>โอเคกายลอยและโอเคมกลับมาที่พุทโธพุทโธอย่าไปแหง่าอ่าและอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมคนเราถึงมีคนสวยคนไม่สวยคนจนคนรวยเป็นอะไรคะ่ะช่วงนึงก็อยู่ที่บุญที่เรา ท, ทําชาติก่อนเราทําบุญมาเราก็จะได้ร่างกายที่สวยงามค่ะจ้ะค่ะ แต่ก็ไม่แน่บางทีก็อาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยเช่นพ่อแม่กขไม่สวยไปตรวงานมันก็ไม่สวยอะโอเคค่ะสาธุค่ะไปลปสัญญกรรมเอา้ามาำไมรายนี้หลวงพ่อเจ้าคะถ้าเกิดคนชั่วแต่ว่าสบายแบบนี้เจ้าคะเป็นไปไม่ได้เหรอเราคนชั่วมันจะสบายได้ไงคนชั่วมันก็ติดคุกเหมืนกันใจมันก็วุ่นวายมันไม่หาความสุขไม่ได้ กลับนบมัมศการหลวงพ่อนะคะหนูมีคำถามอะคะ่ะ อ, อ, อย่างกรณีที่เราทำงานอยู่ในองค์กรคนหมู่มากกันนะคะเราก็จะมีปัญหากับเรื่องที่ทำงานซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราสามารถจัดการได้แต่ว่าถ้าเกิดกรณีเป็นคนในครอบครัวของเราเป็นพี่สาวพี่ชายเราแบบนี้ค่ะทีเ่เขาเขาจะมีนิสัยที่แบบว่าเหมือนเ อ, อเอาแต่ใจแล้วก็เหมือนบังคับ ให้น้องต้องทำตามแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเราบางทีเราเรารู้ว่าสิ่งที่เขาอยากให้เราทำมันไม่ถูกต้องแต่ทีนี้เราจะมีวิธีการหลบหลีกหรือว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าทำยังไงได้บ้างคะก็เฉยๆเขาพูดแล้วก็ปล่อยเขาพูดไปเราจะทำไม่ทำก็เป็นเสธีของเรา เขาก็จะมีแบบถ้าไม่ทําตามก็จะตัดพี่ตัดน้องอะไรอย่างเงี้ยตัดไปเลยก็ไม่ได้ถ้าอยากจะตัดก็ปล่อยก็ตัดไปแล้วแต่แล้วแต่พี่เขาใช่ไหมค่ะหลวงพ่อแล้วไม่ตัดเขาก็อย่างใช่ใช่ค่ะค่ะเือนการตัดหไม่ได้ตัดด้วยคําพูดอมันตัดด้วยความเมตตาหรือไม่เมตตาอ๋อถ้าไม่เมตตาถึงไม่จะถือเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็มือนก็นมันก็ตัดจากกันนะอ๋อคม่ไ้อยู่ที่การพูดอยู่ที่การกระทําค่ะ อ๋อคะ่ะไม่ต้องไปกังวลกับเขายังไงก็ต้องปลายจากกันอยู่ดีเหมือนก็ต้องขายกันอยู่ดีวันใดวันหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะหลวงพ่อก็อยากจะตัดก็เรื่องของเขาไปน้อไม่ตัดก็เรื่องของเราไปคะ<ต>่คะถ่ายังเมตตาเขาอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ตัด <คะ S 1> ถ้าเราไม่าาเมตตาเขาแล้วเขาก็ตัดง อ, อถ้าเราไปโหดร้ายทารุณกับเขาเนี่แปลว่าเราตัดค่ะค่ะกราบสาธุค่ะหลวงพ่อ คําถามสุดท้ายครับจากคนที่มีคุณแม่ใจร้อนครับก็เลยเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ทุกครั้งพอเวาที่จะต้องไปโรงพยาบาลด้วยกันก็ให้คนขับรถขับให้แม่ไปเจอที่โรงพยาบาลและลูกไปเจอที่นั่นเลย<ช>ทําแบบนี้ได้ไหมครับได้แต่ก็ไม่ดีเท่ากับไปกับท่านแล้วทําใจเฉยๆให้ได้แต่เราจะได้แก้ปัญหาถูกจุดคือที่ใจของเราตอนนี้เราเป็นการหนีปัญหาเรายังไม่ยอมแก้เผชิญปัญหา วิธีที่จะแก้ปัญหาที่ถูกจุดก็เฉยๆฝึกพุโทโธพุธโทโธไปทําใจให้วางเฉยไปแม่จะทําอะไรแม่จะพูดอะไรก็เรื่องของแม่ไปเราก็ทำํำนีสติทําในสิ่งที่ดีของเราไปต่อไปอันนี้ถ้าทําได้จะดีกว่าแต่ก็ยากถ้ายังทําไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงไว้ก่อนก็ได้อแต่มันก็วันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องเจอปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่กับคนนั้นก็คนนี้ถ้าเราทักฝึกทาใจให้นิ่งเฉยได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องหลีไม่ต้องหลบ เจอปัญหาอะไรเราก็วางเฉยได้โอเคเวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านทรงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถธุ